อาจจะทำให้กลุ่มชาวบ้านโกรธแค้นรุมทำล้ายยายปูได้ครูวันวิสาจึงบอกว่าถ้าพิธีไล่ผีปอบไม่ทำให้ยายปูเป็นอันตรายก็ขอให้รีบทาสงสารยายปูที่ปวดเขา่าแล้วต้องมานั่งอยู่กับพื้นแบบนี้จากนั้นหมอผีก็เข้ามาทำพิธีขับไล่ผีปอบระหว่างทำพิธียายปูก็สงบนิ่งนั่งหยุดตรงกลางลาน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 นางหอนรีบเข้าไปดูก็เห็นร่างที่ไรวิญญาณของยายเผื่อนทรงกร่เนเหม็นโชยออกมาเหมือนศพที่ตายมาแล้วหลายวันเนื้อเริ่มเนา่าทรงกริเนเหม็นคลากรุงแท้ที่จริงยายเผื่อนได้สิ้นใจตายไปหลายวันแล้วแต่มีวิญญาณผีปอบมาสิงร่างเพื่อกินตับไตไส้พุงของยายเผื่อนนางอนเสียใจมากที่แม่ต้องมาจากไปแบบนี้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 สัมผัสสยอง